สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสเสีอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่586เรื่องการรู้จักพลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ถึง16นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารู้ว่าพระเยซูได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เรานั้นมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณและพระวิญญาณจะส่งช่วยเหลือเราในการดําเนินชีวิต พระวิญญาณเป็นตัวแทนของพระเยซูที่อยู่ในโลกนี้เราสามารถเข้าถึงพระวิญญาณได้แม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าถึงพระเยซูทางกายภาพในในสมัยนี้ก็ตามพี่น้องครับในพระธรรมยอหบทที่สิบสี่ถึงสิบหกนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงใช้บุรุษสะพนามคําว่าพระองค์และพระองค์เองแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นบุคคลครับมีความเป็นบุคลิกลักษณะ ซึ่งสะท้อนสิ่งที่อยู่ในพระเจ้าพี่น้องครับบรุษสพนามที่ใช้สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเพศกลางครับเพศกลางในภาษาอังกฤษนั้นก็คือใช้กับคนครับแต่ไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงภาษาอังกฤษนั้นเรามี he มี she ใช่ไหมครับแล้วก็มี it แสดงว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงและเป็นสิ่งของหรือสัตว แต่สําหรับในภาษากรีกนั้นบุรุษชพนามเพศกลางนะครับมีในภาษากรีกและมีในพันธสัญญาใหม่ถูกใช้บ่อยในการกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งตรงนี้เองนะครับทําให้เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่พลังไม่ใช่อํานาจไม่ใช่ฤทธิเดชแต่เป็นมีลักษณะเป็นบุคคลครับพลักษณะของพระองค์นั้นเป็นบุคคลนะครับและไม่ใช่สิ่งของและไม่ใช่อะไรที่อ่า ต่ำลงไปจากมนุษย์แต่เป็นพระเจ้าฉะนั้นในพันธสัญญาเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่าต้นฉบับภาษาฮีบรูนะครับห ล, หลายกรณีที่มีการกระทำของพงษญาเป็นสุดนั้นหลายหลายครั้งทีเดียวเป็นเพศหญิงโดยหน้าที่โดยหน้าที่นั้นมีความหมายว่าไม่ใช่เป็นเพศหญิงครับแต่บรรยายการกระทําของพระองค์ว่าอ่อนโยนครับอ่อนโยนละมุนละม่อมละมุนละไหม่น ะ, มนะครับเพราะฉะนั้น พยัญบริสุดไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่เพศชายนะครับพะยัญบริสุดไม่ใช่เท พ, พีนะครับเราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องตัวตนของพงยัญชนะสุดนั้นจะไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่เหนือความเป็นเพศของเรานะครับในวันนี้เราจะมาดูครับว่าพยัญชนิสุดนั้นทรงสุภาพและอ่อนโยนขนาดไหนเพราะเจ้านของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สี่นะครับข้อยี่สิบเก้าถึงข้อที่สามสิบสอง โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าอย่าให้คําเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคําดีๆที่เสริมสร้างที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินและอย่าทาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระไถด้วยพระวิญญาณ น, นั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สําหรับวันที่จะได้รับการไถจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิน่นและรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน แต่จงมีใจกรุณาใจสงสารใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคดีข้อที่เน้นนะครับก็คือว่าอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระไถยเพิ่งพีกล่าวอย่างนี้ครับว่าอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระไถยคำว่าเสียพระไถยนี้หมายถึงความเศร้าล้าลึกและกลุ่มพระไัยหรือกลุ่มใจนั่นเอง เป็นคำที่สื่อถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของคนสองคนหรือบุคคลสองคนที่รักกันอย่างลึกซึ้งอกักขรทูตปาอโลจึงหมายความว่าอย่าทำให้คนที่รักคุณลึกซึ้งนะครับจะต้องเจ็บปวดเสียใจมีความเศร้าและกลุ้มใจเลยพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระัญญัติบทสุดนั้นทรงอ่อนโยนครับทรงอ่อนโยนและทรงสุภาพ ความอ่อนโยนนั้นเป็นความเข้มแข็งที่จะต้องชื่นชมเพราะอะไรครับเพราะแท้ที่จริงแล้วคนที่จะอ่อนโยนนั้นก็ต้องเป็นคนที่ถ่อมใจเป็นคนที่มีความรักเป็นคนที่มีความสุภาพเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมอัครทตเปาโรขอร้องให้เรามีใจที่อ่อนโยนมีใจที่สงสารถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีชีวิตทีวากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเองนั้นก็จะต้องมีใจที่อ่อนโยนเพื่อที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีชีวิตชีวากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ซึ่งเราต้องระวังครับจะต้องไม่ทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระไถยสิ่งที่จะทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระไถยคืออะไรครับพระมุทิตอ น, นี้ก็ตอบครับทัดเจนสิ่งที่จะทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระไถยนั้นก็คือการที่มีความขมเคิน พฤติกรรมต่างๆคัดโกให้เกิดความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงกันการใช้วาจาที่ไม่ดีการพูดจาดูหมิ่นการร้ายทั้งหลายที่น้องครับอุบายต่างๆนะครับสิ่งเนี้ครับคือสิ่งที่จะทําให้พระวิญญานบริสุทธิ์นั้นเสียพระไถยในทางกลับกันครับเราจะต้องทําให้พระงิญญาณบริสุทธิ์นั้นดีใจนะครับหรือชื่นใจชื่นพระไถย ก็คือว่าเราต้องมีใจกรุณาใจสงสารใจให้อภัยแก่กันและกันเนี่ยครับสิ่งที่ทําให้พนักงานบริสุทธิ์เสียพระไทยและสิ่งที่ทําให้พนักงานบริสุทธิ์นั้นดีพระไทยหรือดีใจนั่นเองสังเกตตรงนี้นะครับเป็นสิ่งน่าสังเกตมากเราจะพบว่าในข้อมีนั้นอักขรทูตเปาโลไม่ได้เคยบอกว่าอย่าทําให้พระเยซูเสียใจหรืออย่าทาให้พระบิดาเสียใจ แต่ท่านกล่าวเจาะจงว่าอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระไถ่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงสถิตยอยู่ในใจของเราครับและอยู่กับเราทุกที่ที่เราไปนะครับอยู่ในทุกเวลาด้วยอันนี้เป็นความสัมพันธ์อันสนิทสนมที่อัครดูลเปาโลได้ว่าขอความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด, ดารงอยู่กับท่านทั้งหลายพี่น้องครับความสัมพันธ์อันสนิทสนมนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ฉะนั้นพระองค์จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสิ่งที่เราทําพระองค์จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราอนุ ญ, ญาตให้เข้ามาในชีวิตของเราตรงนี้เน้นถึงเรื่องของความบริสุทธิ์ครับพี่น้องสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะไม่ให้พระวิญญาณเสียพระไถยเพราะพระวิญญาณทรงสุภาพและทรงอ่อนโยนทรงรักเรานะครับ และอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเศร้าใจกลุ่มใจเสียพระไถยเลยเราจะพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งนะครับพระเยซูกล่าวในประเด็นคล้ายๆกันว่าถ้าใครกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดอภัยให้คนนั้นได้แต่ถ้าใครกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดให้คนนั้นไม่ได้โปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้ยุคหน้าอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ32ครับ น่าสนใจนะครับที่พระเจ้าพระบิดานะครับปกป้องพวญญาณบริสุทธิ์ครับพระเยซูก็ทรงปกป้องพวญญาณบริสุทธิ์นะ <prescription> ความสัมพันธ์ร <counseling> ะหว่างพระบิดากับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของความล้าลึกที่เราไม่อาจเข้าใจได้นะครับแต่อย่งไรก็ตามครับความสัมพันธ์ของเรากับพระวิญญาณเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากๆเลยครับเราจะต้องปกป้องไว้อย่าทําให้พระองค์เสียพระไถย เราจะต้องนึกไว้เสมอนะครับว่าเราอาจจะทำให้พระองค์เสียพระไถยได้ต้องระวังครับและบางครั้งเป็นการเสียพระไทยอย่างสุดซึ้งด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันกระทบกับความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์นั่นเองนะครับเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์นี้ให้ดีให้ถูกครับเราถึงจะไม่ทำให้พระองค์เสียพระไทยพี่น้องครับในอีกด้านหนึ่ง นอกจากการที่พระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสุภาพและทรงอ่อนโยนในอีกด้านหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ถูกเรียกนะครับว่าพระวิญญาณแห่งอนุภาพนะฮะเราจะเห็นว่าพระวิญญาณแห่งอนุภาพนั้นเรารู้ว่าพรงไม่ได้ทรงอ่อนแอรหรือไร้อำนาจครับในขณะที่พระองค์ทรงอ่อนโยนและสุภาพรู้ถึงสิ่งลึกๆภายในใจทำพูดและการการะทำของเรา อาจจะทำให้พระองค์เสียพระไทยได้แต่นี่อีกมุมหนึ่งนะครับพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพฤทธานุภาพครับพรงถูกเรียกว่าเป็นพระวิญญาณแห่งอนุภาพนั่นเองพี่น้องครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับความเข้าใจของเราก็อาจจะเข้าใจต่อไปอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่อาจนะครับเข้าใจลักษณะของพระองค์ทั้งหมดได้แต่พระองค์ก็ทรงสุภาพและทรงทรง อนุภาพโครงทรงสุภาพนะครับโรงทรงเป็นผู้ที่อ่อนสุภาพอ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันครับโรงทรงอนุภาพสูงสุดเป็นพระเจ้าและทรงนิฐานอนุภาพเพราะฉะนั้นผมอยากจะเน้นนะครับในเช้าวันนี้ก็คือการที่เราต้องระวังอย่าทําให้พระองค์เสียพระทัยนะครับการที่เราได้พัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิ ญ, ญญาณโดยการอ่านพระคัมภีร์ อคิษฐานและไขครวนรอคอยคำตรัสของพระเจ้าของพระวิญญาณ น, นั้นทําให้เราไวนะครับต่อพระวิญญาณอย่าลืมนะครับว่าพระองค์พระวิญญาณ น, นั้นสถิตอยู่ในชุดของเราอย่างถาวรเวลาเราเดินไปที่ไหนครับพระวิญญาณจะอยู่กับเราตลอดเวลานะครับพระเจ้าแห่งจั ก, กรวาลผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่สูงสุดจะอยู่กับเราตลอดเวลาครับพงอยู่กับเราเสมอและพงชงสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งเราเลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าเรานั้นก้าวเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปนะครับพูดในคำพูดที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำนี่นะครับเราจะต้องขอโทษครับขออภยัยเพราะเราเป็นเหตุที่ทำให้พิ่งยานไปฉุดเสียประเทศไทยการขออภัยนั้นอย่าสักแต่ว่าเป็นคำขอโทษขออภัยพร่อยๆนะครับเพราะมันไม่เคยได้ผลครับแต่เราจะต้องออกจากจิตใจของเราครับ เนื่องจากพระวิญญาณนั้นทรงห่วงแหนเราอย่างมากทรงรักเราอย่างมากพระองค์ไม่ต้องการเพียงแค่ความสัมพันธ์แบบผิวเผินแต่พระองค์ต้องการความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างแท้จริงพี่น้องครับการเสียใจนะครับตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือความเสียอกเสียใจนะครับและขอการอภัยโทษและไม่ปรารถนาที่จะไปทําสิ่งที่พระองค์เสียพระทัยอีก เพียงขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูได้ทรงชี้ประชวลบนแมงเขนเราได้รับการอภัยโทษและการชาระแล้วด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์ขณะที่เรานะครับฟื้นฟูสมรรถภาพระหว่างเรากับพระเม ญ, ญาบัยสุดเราจงระมัดระวังนะครับพระเม ญ, ญามัยสุดทรงย้ําเตือนเราผ่านพระเจ้เสมอพระองค์ทรงหวงแหนธรร ม, มคิดทำของพระองค์กับเรานะครับความเสียใจอย่างแท้จริง นะครับได้สร้างความปรารถนาที่เราจะแก้ไขสิ่งต่างๆเพื่อจะกลับมีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับอย่าลืมนะครับว่าพระวิญญาณทรงอ่อนโยนมีเมตตาปลอบโยนเราได้นะครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เข้มแข็งนะครับเหมือนกับเป็นนักครบรสิท ธ, ธานุภาพพี่น้องครับหากเราอยากจะมีประสบการณ์ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างที่พระองค์ประสงค์ เมื่อเราเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นยังไงมากขึ้นเราก็าจะสนิทสนมลึกซึ้งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงอ่อนโยนสุภาพและในวีเดียวกันมีฤทธานุภาพสูงสุดครับอาเมน